มี้จะเทศเรื่องจิตให้ฟังอีกวันไหนประเทศเรื่องจิตนั่นแหละไม่ได้ถึงกลหรอกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายทั้งหมดเราไม่เห็นจิตเราจับจิตไม่ได้จึงยากจนการปฏิบัติเราเลี้ยงงวเลี้ยงควายที่อยู่ในทุ่งในนา เราจับตัวได้ผูกตัวในอยู่มันก็ยุ่งเลยสิมันก็ไปแล้ทุกแห่งทุกคนซัดตัณงๆ ท, ที่เราผูกมันได้เห็นตัวมันมันยังก็อยู่คิดก็ชนนเหมือนกันท่านเทศนาว่าทูกรังเขามาัง เอากาจารณัสสายอย่งคุหาเสี ย, ยงเยจิตตังสัญเมตขันติโมฆขันติมาดะบัณธนาสันเทใสเนนอย่างนีน้ภูรังขมังเอกาจารณัสสายอย่งคุหาเสียงท่านแปลราษาไทยแล้ ว, ว่าคิดเป็นของไม่มีตัว เที่ยวไปในที่ต่างๆได้แต่หากกลับมานอนในสัตวะคูหาคือร่างกายอันนี้าหากใครเต็มลมจิตใจแล้วคนนั้นจะพ้นจากบวงแหนงมารเานั้นจิตของคนเรา มันโครแข็งไม่อยู่คงที่ทำใม้จิตในที่นี้นั้นเนี่ยไปหาตัวเลยไปหาตัวไม่เห็นหรอกความคิดความนึกความรู้สึกนั้นแหละเป็นตัวจิตมันนึกมันคิดตรงไหนกั่อยู่ตรงนั้นแหละจิตไม่อยู่ที่สมองหรอกไม่อยู่ที่ประสาท มันอยู่จิตเซลหร้กอะไรทั้งหมดตายก็แล้วนีเซลมันยังไม่เห็นให้อยู่พคงที่ไห้นั้นน่ะมีเซลลมันยังเป็นจิตอยู่ได้ไม่มีสมองมันเป็นจิตอยู่ได้เหตุนั้นความรู้สึกตรงไหนนั้นแหะเป็นจิตตรงนั้นแหลไในว่าอยู่ข้างล่างข้างบนตั้งพื้นเท้าถึงสีสัน ไหว่าทั้งขวงงมดอยู่ได้เดียกัน น, นั้นเราไปยึดตรงไหนตรงน้าเป็นจิตของเราเราไปยึดเห็นหนละักานอีกยึดเ้าจะเห็นตัวตัวมันแนะ่ะตัวมันยึดนั่นแหละคือความรู้สึกเกิดขึ้นในทีนน่นั้นนั่นน่ะที่ก็เป็นจิต นั่นเลเรียกว่าคิ ด, ดก่อนนะเราเราหาผู้คิดคผู้นึกพูดทรงใยในที่ต่งางๆหาตัวนั้นได้เห็นเราหาตัวนั้นเห็นแล้วจับเอาผู้นั้นแหละผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึ ก, กนะั้นแะให้อยู่คงที่ ธรรมดาสติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตแต่มารู้จักจิตมันก็ต้องอยู่ไม่รู้มันจะคนไหนอยู่มันรู้แล้วนั้นเชื่อผูกจิตให้อยู่คงที่ทีเดียวเมื่อจิตผูกอยคงที่แล้วทักษะสูงมันจะการแจงทั้งหลายมันจะหายลงไปหมด โดยความสภาพเป็นจริงของมันมันจะไม่แตกนะนี้มันถึงเขาถึงความสภาพเป็นจริงของมันนี่ได้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกนั้นจะเป็นของอยู่ตรงกลางในคิดหน้าคิดหลังไม่คิดส่งไปทั้งโน้นท้งนี้อยู่ตรงกลาง เมื่ออยู่ตรงกลางแล้วนั่นแหละตัวใจหัวใจแท้ที่เรียกคนเราพูดทั้งใจมันต้องพูดถึงของของกลางอะไรทั้งหมดที่เขาพูดถึงของกลางลว่าต้องใจทางนั้นแหละต้องกลางขณงนั่นพูดถึงเรื่องใจตรงกลางนนัพูดถึงหัวใจของคนเรา ใจยอะตรงไห น, นก็ที่ก็มาทำกลาง อ, อกมันใจมือใจเท้าก็ที่ก็ตรงกลานนงนั่นแหละขอหนักของดถ้าไหวาใจกต่พูดตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่คิดดีคิดชั่วตัวนั่นจะตัวใจแท้ที่จิตนั่นเราคิด เราก็ดีตามจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องของมันไปเกิดเมื่อรู้เรื่องของรู้เท่ารู้ตัวของมันแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจจิตกับใจอเท่านั้นแหละท่านพูดเป็นันเดียวกันแต่ถ้ามาพูดแยกออกเป็นอันทําไมท่านยังยว่าจิตทําไมท่านยังยว่าใจ คำเดียวเปนทำไมพูดแั่เพียงมาพูดแันเดียวที น, วท น, นี้จิตเป็นยังว่าจิตอยู่ใจเป็นยังงว่าใจอยู่เหน็นอาจารย์มายังเคยพูดเป็นสองอันจิตนั้นคือของคิดของนึกใจนั้นเป็นของกลางกลาเมื่อจิตตามจิตหรเมื่อสติตามจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแทนมันจะรวมมโเป็นใจ สติคิดรวมมเป็นอันเดียวเมื่อเข้าถึงใจแล้วมม่มีอะไรทั้งนั้นใจนี้ถ้าหากว่าถึงของจริงแล้วมันจะเป็นเองคือมันรวมว่าเป็นเองอันข้ายังไม่รวมรวมไม่เป็นเองไม่เกิดเองก็เด็กก็ยังไม่เข้ายังไม่กันถึงใจแท้เป็นแต่อานุมา โน่นแะที่ว่าที่กรจจาระนัสัยอย่างคู่หาสยอย่างจิตตันนี้แหละมันพุ่งสร้างส่งสายไปมาสาระปัจจุ่างลอบด้านลอบผัพกพราะฉันไปไปก่อนแล้วเราคิดจะไปอย่างไปที่ข้างในนี่เป็นต้นไปด้านกลับมาลายหนแล้ว มันใจมันไยคิดมันไปลายหดแล้วไปแล้วกัดซึมไปแล้วกัดซึมว่าลายหดอ่กลั ว, วตัวจะได้ไปนั่นโอ้โหลายหลบหล่เที่ยวแล้วนากเยอเกินเราจะดักยังไงไงก็ดักเถอะจะดักที่ตาจะดักเถอะดักที่หูจะหูลิ้นกายกดักเอาแล้วมาดักก็ดักไมอยู่ มันต้องเที่ยวไปคนเดียวเด็กกับจรารันเที่ยวไปคนเดียวไม่มีสาระร่างกายใช้ด้วยแต่มันก็ไม่หนีจากกาศเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็กลับมาอยู่ที่นี่แหละมันนอนที่นี่แหละกลับมาเองมันไม่ติมีใค ร, ครบังคับ รียงอยู่ตลอดเวลาเนี่นะที่ว่าการพักมาอีกถ้าหากว่าเราสำรวมจิตแล้วจะพ้นบ่วงแห่งมาสำรวมจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงใจสำรวมจิตจะเข้าถึงใจมาเลยแล้วพ้นบว่วงสางมารท่นั้น มาม า, มาในที่นี้ท่านพูดหลายอย่างขันธมานวิเรสมานมัจสุมานเทวุตมารสิ้นงสัจธรรมารมีหักขันธมานได้เกตตัวของเราร่างกายที่เกิดมาได้ขันหะเที่ยวขันธมาน ทำไมจึงเรียกว่ามานเราเกิดขึ้นมาแล้วได้ตัวมานครอมมันจะพ้นจากมานได้อย่างไรมานในที่นี้หมายความถึงการเบียดเบียนเรียกว่ามาณเป็นรูปสัจของการเป็นอยู่อย่างการเจ็บการป่วย ทำการงานไม่ได้สุขภาพไม่เพียงพอทําการงานไม่ได้เพราะนั้นเป็นหมอเป็นมารเพื่ที่เกียดที่ค้าเงาเป็นมารทาการทํางานไม่มําเั็จดิดลร่วงไปได้เพราะนั้นก็เป็นมารการ ท, ที่มัเกิดจากกายนี่เราเรียกประมาณเท่านี้เรียกว่าขันธมารผู้ใดอยากทำไปเรียก ขั้นท่าเป็นมารูปเวทนาสัญญาและขาเนียพูดละเอียดต่างไปงั้นทีเลสตมาลทีเลสที่มันเกาะเกี่ยวยในใจของเราเกิด ค, ความรักเกิดความสังความเกลียดความโกรธสราปาทุกอย่างกระทุบๆเท่านั้น ท้อสวันามาเกิดปุบขึ้นมาเลยทันทีมานเลนะมันไม่ให้ใจสงบลงไปได้มาหมายได้ยากชื่เรียกว่าีิเลสธามานในที่นี้ไม้เราทำดีได้ทำดีไม่ได้ตั้งใจเ่าเพราะน้าอย่างนี้ลหละเกิดโกรธเส้นจะพบเส้นหาย หายหมดเลยภาวนาไอ้ิดสังขาอเทวบุตรมานะครับคือความที่จะทำดีเป็นต้นว่าเราจะทำบุญทำกุศลเราทำดีทำดีด้ประการต่างคิดมันไม่ปกติใจแล้วไม่ถึงใจ มันจะยุ่งในกการทำใ น, นการกระทำนี่แหละอยากทิพย์ยอยากดีอยากวิเศษวิโสอยากเนรเทนข้าวฉวานอะไรต่างๆนั้นเรียกว่าเทพบุตรมาอทิตย์แสงขาระมานคล้ายๆกันนั่นแหละความปรุงความแสงให้ยิ่งใหญ่อยากวิเศษวิโสคล้ายๆกันนั่นแหละ กษตรมัสยุมานตอนท้ายในมัสยุมานค่านี้ทาดีทาดีไม่ได้ทันจะมาเจอมานมาถึงมดทาทำบูน้ำพุทโธได้ก็ไม่ได้ทํากทำฟันก็ไม่ได้หมลแสหมดตอนนั้นเนี่ยคือความตายอย่างมัจยุมานทำอะไรต่อไปไม่ได้ซะนะ วันนี้ที่เรเรียกว่ามารหามารหานี่แหละถ้าหาคนใดไม่จารวมใจมันจะต้องผ่านคนมันจะต้องมีประสาทตรงนั้นมารหายไม่มารใดก็มารหนึ่งจิตสานป้องกันไม่ทันดีในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตนั่งกายอยู่สมบูรณ์พอิบุ๋มเรามีสติมีอุบายปัญญามีความสามารถที่จะชำระไม่ให้ใจไม่ให้จิตวุ้นว้ยสงสัยจนเข้าถึงใจอ น, นั้พลจากบ่วงยังมาร คำว่าบ่วงแห่งมาในที่นี้นั่นใส่ในคนของมันมันต้องดักอยู่ทุกด้านทุกทางดักให้อยู่ในกำมือของมันทั้งนั้นนี่พระพุธทธเจ้าเสนาวา่ามาเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดพระพุธทธเจ้าจะสำเร็จพระโพนิพาส ก็ชำละมารทได้ชำละชนะมารได้ฟันจะมาเลสิเนนทัทโภทัมโบสิมุตตมังต้องชนะมารห้านี่ใช่ปะถามว่าฉหนึ่งหมายความว่าร่างกายของพระโ อ, อ็นอย่างมีอยู่มันจะชนะได้ยังไงหมายความว่า พระองค์ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดในร่างกายนะขนันนั้นไม่ขันท่าที่อธิบายมานั่นอ่ะมานท่าที่อธิบายแล้าพระองค์ชนะได้ด้วยการไม่เข้าไปยึดถือมันเป็นไปตามเรื่องเขานะท่านอธิบายได้อย่างเรื่องชน ะ, ะเรื่องชนะมา ขึ้นชนะมานได้พิจารณาเห็นอันนี้แจงทุกขงกังอนัตตาก็เป็นเรื่องชนะมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้มก็เรียกว่าชนะมาได้พิจารณาตัวขงเราเป็นขันไดเป็นธาตุสี่ก็เป็นเรื่องชนะมาได้ ลองดูถ้าหาก็เป็นธาตุสี่แล้วที่มีอะไรตัวของเราเนี่แหละมีธาตุสี่เท่านั้นอนะ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นได้เพียงธาตุสี่เท่านั้นอนะ่ะเกิดขึ้นระดับประดับไปเมื่อเกิดขึ้นระดับไปเงินจะไปยึดอะไรลนะถ้ามีเครื่องยึดยึดมันก็ไม่อยู่ในอำนาจทั้งตัวเราะนั้นเรียกว่าอนาตาที่เกี่ยวพันกันหมด พิจารณาถึงกรรมพิจารณาถึงธาตี่เกี่ยวพันกันมหมดหมดลงอนัตตาเดียวกันในศาสนาพุทธเจ้าสอนลงอนัตตาอนนี้อยงทุกขังนัง้นมีแล้วแต่ก่อนพุทธกาลก็เคยมีคนนั่งหลายก็พิจารณาเห็นจาก อันนี้จังทุกครั้งแล้ น, นันเห็นได้ง่ายส่วนนัตายนี่ม่มันเห็นได้ยากทั้งๆที่ตากดอยู่แต่ไม่เห็นขาความไะยึดอย่างเดียวอันนี้จึงเรียกว่ามาไอ้ที่เรียกว่ามานหา ผู้ใจผู้จะั้องไอผู้จะไม่คล้องถึงเรื่องมารเโดยการทำจิตตนเอสงบต่างเทธิปามและเดชะสารอย่างนี้นเราสำรวมใจของเราคนเดียวตัวนี้แหละจะไม่กระทบกระเทือนถึงเรื่องโลกทั้งหมดต่างคนต่างสำรวม ด้วยการทั้งหมดแล้กเสลยอยู่เจ้ประเทศขขงภายของมันเทนั้นไม่มีการเดียดเดียนซ่กันใจในมันของสำคัญทุกคนหาเหงษ์ส น, นได้เลยรักษาบ้านเมืองประเทศชาติตลอดมดจะรักษาได้ยังไงต้องมา รักษาใจของเราแล้วพอรักษาได้แล้วทิไม่เบียดเบียนทึ่ไม่เบียดเบียนที่กันไดกันคนไม่มีเบียดเบียนที่กันใดกันคนเราถ้าหากคนหนึ่งซะในหมู่สักร้อยสักพันคนทั้างรวงใจคนเดียวได้คนอื่นเมื่นนอก่อนท่านมโนนะก็ไว้อย่างเช่นก่อนคนอื่นก็ตัง้งแต พระพุทธเจ้าได้อสอนแม่สํารวมคนเดียวทุกๆคนฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านนมีการสํารวมใจด้วยกันทั้งนั้นสําสรวมใจของตนไม่ได้แล้วเป็นเหตุให้วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระเทือนเดียเดเบียนทุกส น, นการณเหตุนั้นแหละการสํารวมใจทั้งของดีมาก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 ตัวงเราไม่รักษาความสงบโลกทั้งหลายแตกกระจายหมดทั้งโลกเมือนเราก็แตกไปแตกเรารักษาความสงบคนเดียวเท่านั้ น, นโลกมันแตกกระจายไปเลย ว, วุ่นวายไปเลเราสงบคนเดียวได้ชื่อว่าทางประโยช น, น์แค่ตัวพระพุทธเจ้าก่อเทศเนะมื่อครั้ง วิธุตภะไปลบพวกสาสตร์ที่จะไดต้องการอย่าให้ให้วิธุตภะกรับจักเทศนาสั่งสอนอยู่กลางทางไปยุดักอย่กลางทางเทศนาสั่งสอนด้วยวยเนี่ยผายต่างๆทั้งสองหน คนที่สามนี่ก็เลยไม่ไปเพราะว่ากรรมของเขามันจำเป็น้วเมื่อกรรมถึงแล้วพวกนั้นมันได้ทำกรรมไว้มันจะหลีกเลี่ยงนนไม่พ้นทำไม่ได้นก็ไม่หลีกเลี่ยงคนพระองค์เลยทอดุระเสียทรงเทศ น, นาว่า มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เหยียดเพียนซึ่งกันเด็กกันเราอยู่เป็นสุกหนอมนุษย์ทั้งหลายเป็นเรียนเช่นกันเด็กกันเราอยู่เป็นสุกดีนั่นเข้ามาหาตัวนักกราดทั้งหลายต้องเ็นอย่างนั้นไม่ต้องวุ่นกับเขาถ้าปกติดีๆแล้วก็ทำอย่างนี้แหละ แล้วก็ทำไปกับโลกกับบ้านกับเมืองนี้แหละอย่างที่เราทำสะงขอส้องหายช่วยสานนั่นสานมี้อะรต่างก็ทำไ้แต่รลักฐานมั่นคงของเรามีไว้ต่างหากเมื่อถึงที่สุดช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องตักเข้ามาหาตัวของเราต้องมีหลักอย่างนั้น <c oughs> ทำเพื่อประโยชน์คนอื่น่ายเดียวไม่ คนนอมีกิเลสเมื่อทำประโยชน์ในการคนอื่นมันก็เท่าเผื่อเือนเดือดร้อนขึ้นมาจิตเลยไม่อยู่คิดจะเดือดร้อนเราก็คอยเดือดร้อนไปตัว ด, ด้วยเขาเลยไม่ดีจิตของเราไม่ดีจิตจะจับกระส่ายเดือดร้อนบุบไปแล้วเขไปหมดคนดีของเราเลยหมดขาเลยนะเลยหมดไปเทนั้นความสงบ อาการที่เข้าถึงใจนี่เปนของสําคัญที่สุดหาจะมาเข้าถึงใจได้เรื่องรับวามหมดเรื่องจิตทั้งนั้นแหะมันปรุงมันแต่งคิดมันนึกอะไรต่างๆไปตามอาการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องจิตทั้งหมดถ้าเข้าถึงใจเป็นเรื่องของเราจงให้เข้าใจอย่างนี้ นาปฏิบัติพุทธศาสนานหิียะถูกทางสุทธเจ้าทั้งตอนเอาละขัดาจ